8. อริฏฐสิกขาบท121ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไม่สละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุชื่ออริถฐ ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชื่ออริทฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งไม่สละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงส์สวดสมานุภาพครบสามครั้งในอริฏฐะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุตฐานหนึ่งสมุตฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต